และป้าทวนก็ได้แก้วสารพัดนึกมาจริงๆคือน้องสาวของป้าทวนนั่นเองคือสิ่งต่างๆที่ป้าทวนมีอยู่เวลาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับเงินทองหรือแม้แต่การเดินทางไปต่างประเทศป้าทวนไม่เคยต้องซื้อหาด้วยเงินเลยน้องสาวของป้าทวนเป็นผู้เนรมิตมาให้จนใช้ไม่หมดทาให้ป้าท้วนดารงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนเลยและป้าทวนก็เริ่มเล่าประสบการณ์